ขับรถชนคนตายโดยแม่เจตนาบาปหรือไม่ตอบจะดูว่ากรรมใดเป็นบาปหรือเป็นบุญพระพุทธเจ้าชี้ให้มองที่ประธานของกรรมคือเจตนาซึ่งก็เหมือนกับกฎหมายที่ตราโดยผู้ทรงความเป็นธรรมทั่วโลกคือจะมองว่าใครผิดใครถูก หรือมีน้ำหนักควรลงโทษลงทันอย่างไรก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาทั้งสิน้นทว่าผู้นั่งบรรลังพิพากษาซึ่งถือกฎหมายไว้ในมือนั้นบางทีตัดสินว่าผู้ต้องหากระทําผิดเช่นสืบพยานประกอบหลักฐานแล้วสอว่ามีเจตนาร้ายพอลงโทษผู้ต้องหาไปหลายปีจึงค่อยพบหลักฐานใหม่หรือคดีใหม่ถึงทราบว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นี่แสดงให้เห็นว่า แม้กฎหมายให้ดูเจตนาเป็นหลักแต่ผู้ทำหน้าที่พิภาคษาก็อาจมีข้อมูลไม่เพียงพอจะล่วงรู้ลึกซึ้งไปถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้ต้องหาได้และอาจตัดสินเจตนาของผู้ต้องหากันผิดๆถูกๆได้ส่วนกฎแห่งกรรมซึ่งทำงานอยู่ทุกวินาทีในธรรมชาตินั้นตัดสินสัตว์ทุกรูปนามอย่างเที่ยงตรงแม่นยำเสมอและจะไม่กลับกลอกเป็นอื่นในภายหลังด้วย เนื่องจากเจตนาขณะ ก, กอบกรรมเป็นจริงได้เพียงหนึ่งเดียวผลเดียวเจตนาเกิดขึ้นอย่างไรก็ปรากฏด้วยความเป็นสัจจะอย่างนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีบิดเบือนล่อหลอกใดๆกรรมที่เกิดขึ้น้วยเจตนาอันเป็นบุญหรือเป็นบาปย่อมนับถอยหลังรอการออกดอกออกผลดีร้ายตรงตามเจตนานั้นๆอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสืบพยาน ไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานจากใครเนื่องจากเจตนาของเจ้าตัวนั่นเองพิภาคษาตนเองว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปตั้งแต่ตอนลงมือทาไปแล้วฉะนั้นถามว่าขับรถชนคนตายบาปไหมต้องดูกันในขณะแห่งการเกิดเหตุว่าคุณมีเจตนาอย่างไรเจตนาในขณะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครตรวจสอบได้อย่างท่องแท้เท่าตัวคุณเอง ถามวันที่เกิดเหตุได้ขับรถกลับบ้านหลังจากเลิกงานฝนกำลังตกวิ่งประมาณ8ปสิบมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กลางถนนจึงเบรกไม่ทันชนเธอจนเธอกระเด็นไปพอดีมีรถอีกคันหนึ่งมาทับเธอและหนีไปผมจอดรถและเรียกตำรวจเรียกสามีเธอมาสามีเธอเมามากพูดจาไม่รู้เรื่องแต่ทราบในภายหลังว่าก่อนเกิดเหตุเธอทะเลาะวิวาทกับสามี แยกแยะเป็นรายละเอียดได้ตามนี้ครับ 1. ขับ80ิขณะฝนตกถือว่าไม่ได้ประมาทเพราะฉะนั้นกรรมที่เกิดจากการขับรถโดยประมาทในสถานการณ์ขับขันนั้นตัดทิ้งไปได้สำหรับข้อนี้ขอบอกไว้คลุมคลุมสำหรับทุกท่านว่ากินเหล้าเมาและยังฝืนขับรถถือเป็นโทษหนักซ้อนกันสองข้อข้อแรกคือทำบาปด้วยการยอมกายยอมใจให้สติพล่าเลือนด้วยน้าเมา ข้อสองคือทำบาปด้วยการขับรถโดยประมาททั้งรู้ว่าไม่มีความสามารถรับผิดชอบเพียงพอแต่สำหรับคุณผู้ถามคงไม่มีประเด็นนี้นะครับเท่าที่ทราบคือถ้าขับรถชนคนตายขณะเมาก็ต้องติดคุกสถานเดียวหลีกเลี่ยงยากแม้มีเงินมากขนาดไหนก็ตาม2 ผู้หญิงนั่งกลางถนนถือเป็นเรื่องเกินความคาดหมายของผู้ขับขี่ยวดยานทั่วไปจากที่คุณทราบว่าเธอทะเลาะ ก, กับสามีในภายหลังก็พอสันนิษฐานได้ว่าเธอเจตนามานั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อฆ่าตัวตายนับเป็นกรรมหนักของเธอทั้งในแง่คิดทำลายชีวิตตัวเองขณะจิตใจเศร้าหมองกับทั้งในแง่ที่พลอยทำให้ผู้อื่นต้องพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเธอตายเพราะเจตนาของตัวเอง ไม่ใช่ตายเพราะเจตนาวางแผนฆ่าหรือแม้แต่เจตนาขับรถด้วยความประมาทของคุณและแม้แต่รถอีกคันที่มาชนซ้ำก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแกงใครเลย 3. คุณจอดรถเรียกตำรวจอันนี้น่าสรรเสริญถือว่าเจตนาหลังเกิดเหตุเป็นกุศลไม่หนีเอาตัวรอดอย่างขาดเมตตาเหมือนเจ้าของรถอีกคัน สำหรับเจ้าของรถที่หนีไปแม้ไม่มีเจตนาฆ่าคนตายเป็นประธานในการก่อกรรมแต่ก็มีเจตนาหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอันนี้ก็กลายเป็นกระตัดตากรรมได้คือเป็นกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นไปเช่นนั้นแม้มิได้จงใจฆ่าแต่จงใจหลบหนีไม่ใ่ดีซึ่งอาจมีผลให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยหมดโอกาสรอด ถือว่าเฉี่ยวกันกันกบการก่อกรรมข้อปาณนาติบาตแต่เนื่องจากเขาเห็นคุณเป็นคนชนก่อนและเห็นคุณหยุดรับผิดชอบไปแล้วก็อาจยกประโยชน์ให้ว่าโทษคงเบาลงอีกหน่อยรวมทั้งสมข้อนี้แล้วก็พอสรุปได้ว่าคุณไม่ได้ทําบาปไปเลยแม้แต่น้อยเพราะไม่มีเจตนาร้ายทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ฉนั้นขอให้สบายใจได้ว่าในทางธรรมะในการตัดสินของกฎแห่งกรรมคุณไม่มีความผิดที่ต้องชดใช้แต่ประการใดและวิญญาณก็ไม่น่าตามมาหลอกหลอนเพราะคนฆ่าตัวตายต้องการยืมดาบในมือคุณมาแทงเขาจึงปราศจากจิตคิดแค้นเคืองอาฆาตเอากับคุณเว้นแต่จิตคุณจะหลอกหลอนตัวเองเพราะความคิดมากไปเอง อย่างไรก็ตามในโลกคุณอาจต้องวุ่นวายถูกสอบปากคำถูกเรียกค่าช่วยเหลือหรือถูกตัดสินอะไรแบบที่ต้องให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจไปอีกพักตรงนี้ชี้ได้ว่าเป็นวิบากกรรมในอดีตอย่างแน่นอนเพราะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างใหญ่ย่อมไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังเสมอ ผมรู้สึกเห็นใจคุณมากนะครับเคราะห์ร้ายที่มาถึงตัวโดยไม่เคาะประตูเรียกหรือส่งสัญญาณเตือนนั้นขอภาวนาอย่าให้เกิดขึ้นกับคุณและผู้อ่านทุกคนอีกเลยเรื่องอับประมงคลทํานองเนี้ยบั่นทอนสุขภาพจิตได้มากถึงมากที่สุดสำหรับผู้ยังมีจิตสำนึกดีๆทั้งหลายถามกรรมใดชักนาให้ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ และจะทำอย่างไรต่อไปดีในวงเล็บขอทำแบบไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเงินไม่ค่อยจะมีตอบขอให้มองว่าวิบากที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คุณต้องเดือดอร้อนใจเป็นการรับเคราะห์หรือกลายเป็นคนผิดทั้งที่ไม่ได้เจตนาทำผิดอีกประการหนึ่งคือคุณกับผู้ตายไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน เธอเอาตัวเองเข้ามาวางไว้ในตำแหน่งที่จะถูกยอดยานคันไหนชนก็ได้ครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นตัวเลือกสุ่มของกนและกันจึงไม่ใช่การผูกเวรแบบจำเพาะเจาะจงวิบากประเภทเนี้เกิดจากกรรมประเภทหนึ่งที่สั่งสมมาหรือทบทบกันมาจากอดีตคือไปยัดเยียดความรู้สึกผิดและความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยเขาไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัว กรรมของคุณเป็นผู้เลือกให้รถคุณเป็นอาวุธฆ่าตัวตายของเธอผู้คนส่วนใหญ่ก็ทำกรรมทํหนองนี้มาเพียงแต่วันเกิดเหตุนั้นถึงตาคุณกับเจ้าของรถอีกคันด้วยความประจวบเหมาะของตำแหน่งสถานที่กำหนดเวลาและตัวบุคคลเช่นหากวันนั้นเธอไม่ถึงคาดวิบากจะเลือกเจ้าของรถอื่นที่เห็นเธอก่อนและมีสิทธิเบรกทันเป็นต้น ส่วนที่ว่าควรทำอย่างไรต่อไปทางคดีโลกผมคงให้คำแนะนำไม่ได้แต่สำหรับคดีทางธรรมะก็อยากให้คุณทำเป็นข้อๆดังนี้หนึ่งตระหนักว่านี่ไม่ใช่บาปกรรมอันเป็นของใหม่ของคุณเพราะฉะนั้นสบายใจซะอย่ารู้สึกผิดอย่าคิดมากอย่ากลัดกลุ้มกังวลเฝ้าคอยนึกถึงภาพหลอนในวันนั้น 2. ตระหนักว่าเป็นวิบากเก่ามาทวงนี้ขอให้ยอมรับด้วยหน้าชื่นไม่คิดร้ายกับใครให้เกิดการผูกเวรกันต่อการยอมเป็นผู้เสียหายที่ไม่ผูกเวรจะทำให้วงจรแห่งความเคราะหร้ายทํานองเดียวกันนี้หายไปหรือลดลงได้อย่างมาก 3. ทํทำบุญในทุกๆ ท, ทางทั้งกายวาจาใจ เช่นกำหนดว่าจะถือศีลรักษาสัตว์อาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือจนกว่าจะรู้สึกสว่างอบอุ่นมีจิตที่สะอาดปลอดโปรง่งแล้วตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่คุณได้ใช้เลือดเนื้อแห่งความเป็นมนุษย์สร้างศีลสร้างธรรมขึ้นมานั้นให้กับเธอคือคุณสว่างอบอุ่นอย่างไรขอให้เธอรู้สึกถึงความสว่างอบอุ่นอย่างนั้นด้วยกระแสจิตของคุณ จะได้เบี่ยงเบนจากความกังวลรู้สึกผิดให้เป็นสบายใจยิ่งยิ่งขึ้นสําสำรวจการกระทำของตนเองอย่างละเอียดเมื่อพบว่ากรรมใดของคุณมีเขาของการยัดเยียดความรู้สึกผิดและความเดือดร้อนให้คนอื่นก็อธิษฐานไปเลยว่าจะงดเว้นกรรมนั้นๆอย่างเด็ดขาดซะ หรือถ้าสำรวจไปแล้วไม่พบว่าชาตินี้คุณทำอะไรเช่นนั้นเลยก็ขอให้ตั้งใจว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอันขาด